ตายจากชาตินี้ไปแล้วจะยากจนเขินใจไรพวกผลไรพวกสนับนุนไรพวกของไรคนของเคราะห์ตัวอย่างในธรรมบทคืออนันตเศรษฐีอานันตเศรษฐีคนนี้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าเพราะในขณะที่พรเจ้าสมุทรอภิเสกส ม, ม า, านธรรมโพธิญาณแล้วเขาก็มีลูกแล้วลูกก็เป็นหนุ่มแล้ว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 ก็อทรัพย์ท้หลายที่เราได้มาไม่มีใครให้เราพุย่าตาทวดสะสมไว้แล้วเราก็ทำเสริมขึ้นแล้วลูกชายเขาจะปฏิบัติตามหรือไม่อันนี้ไม่ทราบทางบาลีไม่ได้บอกไว้แต่ถ้าว่าตัวเขาเองไม่ทำแน่นอนแม้แต่องค์สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจ้าเดินปฏิบาติผ่านบ้านเขาไม่รู้สึกครั้งกี่ครั้ง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 กลุ่มคนก็ไม่ได้ตอนนี้มาตนใหญ่แล้วแม่ไม่เลี้ยงไล่ส่งกลับเขาก็ลึกชาติได้เดือนชาติก็ตั้งใจจะมาบ้านลูกชายเขาฟังก็งงเขาก็เชื่อไม่กันพระพุทธเจ้าพูดแต่ไม่แน่ใจ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 จะไปปิดที่พระก็มองไม่เห็นพระาพระรูปเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสองคนตายาญปรึกษากันเราท้องนี่ไปปิดก้นหลุมที่พระถ่ายอุจาระเป็นการบูชาพระตรตรยัยตัดสินใจและตอนกลางคืนเขาไปตามนั้นเ้ากลับมารับจ้างทำงานต่อไปก็รวมความว่าวันนั้นเขาได้ทดําบุญก็มีความเพลิ่มใจมาก ถ้า ต, ต่อมาไม่ช้าไม่นานนักคนสงคนก็ต้องตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่บนสวรรค์ชั้นดาวเดึงสถิวโลกที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าตายโูดพระพุทธเจ้าท่านบอกไปโสดนี่พระเจ้าทรงจัดหลังจากนั้นมาในเมื่อหมดอายุจ่กความเป็นเทวดาก็มาเกิดเกิดเป็นลูกในตระกูลเศรษฐีตอนนี้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 ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ ม, มหาชนทั้งหลายทีับฟังทุกท่านสวัสดี